หรือได้อามิต ท, ที่ตนชอบใจเมื่อปัญหามีอยู่เช่นนี้จึงควรศึกษาการให้ชัดเจนจุดสำคัญที่ก่อให้เกิดปัญหาคือความสับสนเกี่ยวกับขอบเขต ท, ที่แยกต่างหากจากกันและที่สัมพันธ์กันระหว่างกรรมนิยามกับสมมุตินิยามเพื่อความแจ่มแจ้งในเรื่องนี้เบื้องแรกขอให้พิจารณาการให้ผลของกรรมโดยแบ่งเป็นสีระดับ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 ประสบผลตอบสนองจากภายนอกพบความเสื่อมความเจริญความล้มเหลวความสาเร็จลาบยศสุขสันเสริญและความสูญเสียต่างๆที่ตรงข้ามซึ่งรวมเรียกว่าโล ก, กธรรมทั้งหลายอย่างไรบ้างผลระดับนี้อาจแยกมองได้สองด้านคือผลสนองจากปัจจัยด้านอื่นๆของสภาพแวดล้อมที่นอกจากคน และผลสนองจากปัจจัยด้านบุคคลอื่นและสังคม 4. ระดับสังคมว่าการรมที่บุคคลและคนทั้งหลายกระทามีผลต่อความเป็นไปของสังคมอย่างไรบ้างเช่นทำให้เกิดความเสื่อมความเจริญความร่มเย็นเป็นสุขความทุกข์ยากเดือดร้อนร่วมกันของมนุษย์ทั้งหลาย รวมทั้งผลจากการที่มนุษย์กระทาต่อสภาพแวดล้อมอื่นๆและย้อนกลับมาหาตัวมนุษย์เองจะเห็นได้ชัดว่าผลในระดับที่หนึ่งและสองคือผลภายในจิตใจและบุคลิกภาพเป็นขอบเขตที่กรรมนิยามเป็นใหญ่ระดับที่สามระดับวิถีชีวิตของบุคคล เป็นขอบเขตที่กรรมนิยามกับสมมุตินิยามเข้ามาสัมพันธ์กันและเป็นจุดที่มาเกิดความสับสนก่อให้เกิดปัญหาซึ่งควรพิจารณาในที่นี้ส่วนระดับที่สระดับสังคมแม้จะเป็นเรื่องสาคัญแต่ก็อยู่นอกขอบเขตของการพิจารณาในหัวข้อนี้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 สำคัญทั้งในแง่เฉพาะของมันเองเช่นสุขทุกข์ในใจความเข้มแข็งอ่อนแอภายในความพร้อมความแกวหรืออ่อนแห่งอินทรีย์เป็นต้นและสำคัญทั้งในแง่เป็นที่มาหล่งใหญ่ของผลในระดับที่สามด้วยขยายความว่าระดับวิถีชีวิตของบุคคลผลในระดับที่สามนั้นส่วนที่เป็นขอบเขตของกรรมนิยาม ก็ต่อเนื่องมาจากผลในระดับที่1และ2นั่นเองเช่นสภาพจิตใจของบุคคลผู้นั่นเองคือความสนใจความนิยมชมชอบความโน้มเอียงแนวทางแสวงสุขหรือระบายทุกภายในของเขาซึ่งเป็นผลของกรรมในระดับที่หนึ่งระดับภายในจิตใจก็จะชักนำให้เขามองสิ่งนั้นเรื่องนั้นในแง่นั้นๆ น, น, นาเขาเข้าไปหาสถานการณ์นั้นๆ ทำการตอบสนองอย่างนั้นๆจะทำหรือไม่ทำสิ่งนั้นๆทำให้เขาดำเนินตามวิถีชีวิตอย่างนั้นๆให้ได้พบประสบการณ์หรือประสบผลอย่างนั้นๆและให้มีความรู้สึกหรือท่าทีต่อสิ่งที่ประสบอย่างนั้นๆเป็นต้นเฉพาะอย่างยิ่งจะทำให้เกิดผลในระดับที่สองระดับบุคลิกภาพซึ่งก็ช่วยเสริมผลในระดับที่หนึ่ง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 ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมนิยามตามที่กล่าวมานี้ม่ใช่มีประโยชน์เฉพาะในด้านการแก้ไขปรับปรุงตนในการประกอบคำรรของบุคคลเองเท่านั้นแต่มีประโยชน์ในการที่คนอื่นหรือสังคมจะช่วยเหลือบุคคลให้น้อมน้อมไปในทางแห่งกุศ ล, ลกรรมด้วยการจัดสรรอํานวยสภาพแวดล้อมและเครื่องชักจูงที่ดีงามตามหลักปฏิรูปรเทศสวะและกัลยาณมิตรตา หรือสัพุริสุปัสยะอีกด้วยในหัวข้อก่อนได้กล่าวถึงการก่อผลปรกรรมในระดับที่หนึ่งภายในจิตใจไว้พอเป็นเขาแล้วส่วนการก่อผลในระดับที่สองระดับบุคลิกภาพก็ต่อเนื่องจากระดับที่หนึ่งนั่นเองและเด็กล่าวถึงความหมายคร่าวๆไว้แล้วทั้งสองระดับนั้น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 อย่างน้อยดีกว่าข้าราชการที่ไม่สามารถและไม่เข้มแข็งในหน้าที่แต่บางทีผลหาเกิดเช่นนั้นไม่ทั้งนี้เพราะผลในระดับที่สมมีใยเกิดจากกรรมนิยามอย่างเดียวล้วนหากแต่มีปัจจัยด้านนิยามอื่นๆเฉพาะอย่างยิ่งสมมุตินิยามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยในกรณีอย่างนี้ถ้ามองดูแต่กรรมนิยามอย่างเดียว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 ก็อาจลองมองดูอย่างง่ายง่ายก่อนว่านี่ถ้าเราไม่ได้ทำกรรมดีนั้นไว้คงจะแย่ยิ่งกว่านี้นั่นถ้าเขาไม่ได้ทำดีไว้บ้างเขาคงตกหนักยิ่งกว่านั้นอีกถ้ามองอย่างนี้บางทีจะเริ่มเกิดความเข้าใจมองเห็นอะไรอะไรค่อยๆชัดมากขึ้นละตระหนักว่าถึงอย่างไรกรรมที่ทำไว้ก็ไม่ไร้ผลเสียเลย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 มาจากพุทธศาสนาสุภาษิตว่าดังนี้ยาที่สั่งวัปเตภีชังตาที่สั่งลัพเตพลังกัญญาณการีกัญญาณังปาปาการีจะปาปากังแปลว่าหวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นผู้ทำดีได้ดีผู้ทำชั่วได้ชั่วคาถานี้เป็นพุทธพจน์ในรูปของอิสิภาษิต คือคำกล่าวของฤาษีและโพธิสัตว์วาพาสิทิซึ่งพระพุทธเจ้านำมาตรัสเล่าท่านรวบรวมไว้ในพระไตรปิฎกนับว่าเป็นข้อความที่แสดงหลักกรรมของพระพุทธศาสนาได้อย่างกระทัดรัดชัดเจนพึงสังเกตว่าความท่อนแรกที่เป็นอุปมาณั้นท่านนำเอาพีชานิยา ม, มาเป็นเครื่องเปรียบเทียบ เพียงแต่พิจารณาข้ออุปมานี้ให้ดีก็จะแยกความสับสนระหว่างกรรมนิยามกับสมมุตินิยามได้ทันทีกล่าวคือข้อความว่าวานพืชเช่นใดได้ผลเช่นนั้นสแสดงกฎธรรมชาติฝ่ายพืชพันว่าปลูกมะขามได้มะขามปลูกองุ่นได้องุ่นปลูกผักกาดได้ผักกาดเป็นต้น ไม่ได้แสดงผลในทางสมมตินิยามแต่ประการใดว่าปลูกมะขามแล้วจะได้เงินหรือปลูกผักแล้วจะรวยเป็นต้นซึ่งเป็นคนละขั้นตอนกันพีชานิยามกับสมมุตินิยามจะมาสัมพันธ์นกันก็ในตอนที่ว่าปลูกองุมณได้องุมณแล้วพอดีถึงราวที่ตลาดต้องการอาัญมณมากจึงขายได้ราคาดีและปีนั้นจึงรวย แต่อีกเราวาปลูกแตงโมได้แตงโมและงอกงามได้ผลมากด้วยแต่ปีนั้นคนปลูกแตงโ ม, มกันมากผลดกทั่วไปจนมีเกินความต้องการของตลาดทำให้ราคาตกปีนั้นขายขาดทุนต้องทิ้งเปล่าซสีมากมายนอกจากปัจจัยด้านความต้องการของตลาดแล้วอาจมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องอีกเช่นเรื่องคนกลางการกดราคาเป็นต้น และสาระสำคัญก็คือการเห็นความแน่นอนของพิานิยามคงตัวและเห็นขอบเขตของพิานิยามกับสมมตินิยามทั้งที่แยกต่างหากจากกันและสัมพันธ์กันได้อย่างชัดเจนอุปมาข้างต้นนี้ฉันใดอุปไหยก็ฉันนั้นคนมักมองกรรมนิยามกับสมมตินิยามสับสนกันโดยพูดว่า